คนจะต้องมีความรู้สึกนกคิดอารมณ์มันเป็นชีวิตใช่ไหมเออเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยให้เห็นเลยว่ามันไม่ต้องไปนั่งดูมันหรอกมนรู้เองเนี่เราเนี่ยว่ามีความรู้สึกนกิดอารมณ์มันเป็นชีวิตมันต้องไปนั่งจ้องดู้ันอย่างนี้หรอกมารู้เองทุกขณะปัจจุบันเนี่ยว่ามันมีความรู้สึกนกคิดอารมณ์อะไรเพราะเป็นชีวิตแล้วเราไม่ติดมันเนี่ยความทุกข์ก็ไม่มีแล้วนี่ยของจริงมันก็ว่างว่างจากความทุกข์ว่างแหละก็ว่างจากความทุกข์ ถ้าเราไปติดมันมันก็ไม่ว่าแต่ความทุกข์เราไม่นี่ไปนั่งดูวันจ้องมีนไม่ใช่มันจะมันเป็นของธรรมชาติคนเราต้องมีความรู้สึกมีกิดอารมณ์แต่เราจะไปติดมันได้แต่แค่รู้มันซื่อๆหูซื่อๆรู้ซื่อๆแอ้วแค่นั้นแหละเราก็จะว่าแต่ความทุกข์มันรู้เองปฏิจจตังมันต้องมันเป็นของวันนี้มันจะไปถามใครใช่ไหม มีอะไรเกิดขึ้นในใจมันชีวิตต้องมีอยู่ต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ถ้าชีวิตตายแล้วจะไม่มีนี่ชีวิตมีอยู่ก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่เป็นนั่งจ้องดูให้อาการอะมันหายไปไม่ใช่คืออาการมันต้องมีอยู่ถึงถูกใจมันไม่ถูกใจบ้างเรื่องขมันไปศาสนาไปก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เรื่องของมันเพราะว่ามันเป็นชีวิตเดี๋ยวมันก็มีอาการถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถ้ามีแต่ถูกใจคนไม่ต้องโลภบานไม่ต้องมีละหายไปจากโลกนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้สำคัญมากนะคำพูดตรงนี้แต่เราต้องรู้มันไหนลองทําให้ไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้สําคัญมากนะถ้าเข้าใจตรงเนี้เส้นจะแดงผ่าแปลกเลยเพราะว่าพูดอะไรพวกแต่เราต้องรู้แต่เราต้องรู้เลยตอนนี้เอาใหม่ไหนลองทําให้ไม่รู้สิมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเวทนาอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นแล้วให้ไม่รู้สิตอนนี้เลย เอาไม่รู้นะให้ไม่รู้สิอย่าไปดูมันสิโทรเราจะไปให้ไม่ให้ไม่ให้รู้มันแล้วจะไปดูทำไมเนาะไหนต้องทํำสิให้ไม่รู้มันอะทำไม่ได้ทำไม่ได้พนี้ครับแล้วทําไมต้องบอกว่าต้องแต่ให้รู้แต่ให้รู้เขาบอกว่าไม่รู้มันแล้วมันทําได้มั้ยนะมันทําไม่ได้พ่าเป็นธรรมชาติแล้วทําไมต้องบอกต้องแต่เดี๋ยวพูดแล้วก็ต้องแต่ให้รู้แต่ให้รู้ือก็มันเขาบอกว่าก็ไม่ได้แล้วทำไมต้องบอกว่าต้องแต่ให้รู้ ก็มันธรรมชาติต้องรู้อ่ะแล้วทรายต้องแตะรู้แตะให้รู้อืมันเข้าใจผิดจจับแล้วก็้ใจผิดอ่าเราดูสิมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สบายใจไม่สบายใจจะให้รู้นะได้ไหมเออไม่ได้หรอกสบายใจก็ไม่ให้รู้ไม่สบายใจก็ไม่ให้รู้มันจะได้ยังไงถ้ามันเป็นคนเอะมันอะไม่ต้องไปแตะให้รู้แตะให้รู้ เราจะไปเพิ่มตัวหนึ่งตัวไร้กาดแต่ตรงนี้ที่ที่มาย่อยผ่านเพราะอะไรเราไปเพิ่มตัวดูเข้าไปเราไปเพิ่มตัวแปะฟองเข้าไปตัวไอตัวนี้ตัวเจ้าปัญหาแล้วมือนแบบเราแบบนี้ไงเราหยิบแบบที่เรารู้แบบนี้มันส่งผิดออกนอกกันมันเราหิบของทำของทํางานทำไมอย่างนี้ทำงานเนี่ยืประจำวันเออมันรู้นี่เป็นการรู้รู้รู้ส่งผิดออกนอกแล้วว่ารู้นหมใช่ ต้อรู้ที่ไหนดีด้วยเวลาเราถือของหรือว่าเราทําอะไรแบบนี่มันเกินนี่มันเกินมันเกินมันเกินเดี๋ยวเด๋ยดี๋ยวนี่อะคือเกินเกินแล้วทําให้เรามีปัญหาเลยเกินเกินมาแล้วมีปัญหาทําให้เป็นเป็นเวทนาเจ็บปวดตามร่างกายอ่ะก็เพราะว่ามันเกินมีตัวเกินคือธรรมะคือธรรมชาติปกติธรรมชาติปกติเนี่ยมันจะต้องไป ไปรู้ไหยต้องไปไปรู้ไหมก็คือจับก็จับก็รู้อยู่แล้วนั่นคือรู้นั่นคือจับรู้นั่นคือเห็นรู้นั่นคือได้ยินเราไปเพิ่มอีกตัวร้ายขึ้นไหมตัวหนึ่งมันไปเพิ่มตัวผิดปกติมาธรรมชาติมันคือปกติปกติปกติธรรมดาเนี่ยคือทาธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีการยึดกันหรอกก็แค่ธรรมชาติ่ใช้ชีวิตตามปกติธรรมชาติมันขาดอยู่ตัวเดียวคือขาดผู้ยึด มันก็จะเป็นธรรมชาติปกติเลยพุทธเจ้าพระองคทั้งหลายเนี่ยก็คืนสู่ธรรมชาติที่ปกติจึงพ้นจากทุกข์ได้ดูสิแผ่นดินมันก็ให้แต่ประโยชน์พวกเราเนี่ยให้ปลูกบ้านให้เดินมาให้รถจอดให้ต้นไม้ขึ้นให้มีผลไม้กินมีผักให้กินผักสัตว์ทั้งหลายมันก็ไปกินผักกินผลไม้กินหญ้ามาแล้วก็ทําให้เราได้กินมันอีกเนี่ ย, ยแผ่นดินก็ให้แต่ประโยชน์แต่แผ่นดินไม่เคยยึดใครเลยว่า อเองมาเอาประโยชน์จากค่าเองมันต้องมาตอบแทนค้าต้องอะไรธรรมชาติมันไม่เคยยึดใครน้ําเนี่ยเรากินมันทุกวันเนี่ยวันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องนั่งกินแหละน้ํามันก็ให้แต่ประโยชน์แต่น้ําไม่เคยยึดว่าจะต้องไปทําอะไรที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วมันยึดใครมากินค่าต้องตอบแทนมันไม่มีมันไม่ไปยึดใครลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกัน อากาศก็เหมือนกันมั น, น, ม, นมันให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ชีวิตคนเราเนี่ยพุทธเจ้าพระอาาร่านั้งหลให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ยึดอะไรแล้วอย่าไปทําอะไรเกินธรรมชาติอย่าไปกําหนดนยอย่าไปกําหนดเองมันเกิเ<ร>นธรรมชาติให้ทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้มาทุกคนเลยค่ะมันผิดธรรมชาติมันทําให้เราเนี่ยปวดล้าวระบบประสาทปันปวดล้าวพวกเนี้ยอัดไปหมดเลย แน่นไดหมดอ่ะเพว่าเราทําผิดธรรมชาติคือมันเกินตัวร้ายมาตัวหนึ่งแต่แต่ที่สอนเขาคือให้เขามีสตินะในการบีบการวางของให้มีสติอยู่กับตัวในปัจจุบันให้มีตัวรู้ว่านี่เราเออสติก็คือตัวนั้นน่ะที่เขาพูดอันแรกอ่ะหลงปั๊บขยับปุ๊บแหลนั่นแหละคือสติถ้าไม่หลงอ่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติซื้อรู้ซื้อรู้ซื่อก็ไม่ถูกว่า มันก็รับรู้อะไรตามปกติทุ่ซื่อฟังทุซ <Gee Stupid>. ื่อรู้ซื่อไม่ใช่ว่าไปเพิ่มตัวรู้ขึ้นมาคือหูได้ยินก็ได้ยินหูได้ยินซื่อซื่อตาเห็นก็ตาเห็นซื่อซื่อคือไอเห็นเนี่ยเรียกว่ารู้รู้ทางตาทุซื่อก็คือเห็นซื่อซื่อหูก็รู้รู้ทางหูก็คือหูแอบได้ยินซื่อซื่อจมูกก็ได้กลิ่นซื่อซื่อลิ้นกินก็ซื่อซื่ออือกายเนี่ยร้อนเย็นก็ซื่อซื่อใจนีอาการอะไรก็ รับรู้ซื่อๆตรงไปตรงมาไอ้ซ <shepherd me. S 3> ื่อๆแบบว่าตรงไปตรงมาอ่าตรงไปตรงมาคือเรากินเนี่ยเค็มก็เค็มเผ็ดก็เผ็ดเออมันเผ็ดเราไปจะกินนี่ก็คือเราก็รู้จักแก้ไขแต่มันต้องรับรู้ซื่อๆธรรมชาติอะเราไม่ใช่ว่าเราไปทําตัวเราเนี่ยให้รู้ซื่อๆธรรมชาติเนี่ยมันต้องรับรู้ซื่อๆแต่เราเนี่ยเข้าใจผิดวังทคำเนี่ยเราไปปฏิบัติให้ตัวเราเนี่ยไปรู้ซื่อๆ แต่ธรรมชาติของตาเนี่ยมันต้องเห็นซื่อๆคืออะไรของเน่าเราไปเดินเดินผ่านไปบนถนนรถทับหมาตายพอถึงไปเห็นหมาตายตามันไม่เห็นอยู่ๆไมเห็นเฉยเลยมันเห็นแต่ของสวยของไม่สวยในโลกนี้ถังขยะมันไม่เห็นเลยเอออันไหนมันก็ต้องเห็นคือวัตเห็นอันไหนมันก็ต้องเห็นอันนั้นเองคือมันซื่อธรรมชาติอะคือเห็นถังขยะมันก็ต้อง เห็นถังขยะเห็นหมาเน่าก็ต้เห็นหมาเน่าเห็นดอกไม้ก็ต้องเห็นดอกไม้เห็นบ้านสวยก็ต้องเห็นบ้านสวยเห็นบ้านโฉมก็ต้องเห็นบ้านโฉมคือธรรมชาติเน่ยมันซื่อแต่เราเนี่ยมันคอยไม่ซื่อแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ามาฝึกให้ตัวเราเนี่ยซื่อคือธรรมชาติเขาซื่ออยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยมันคอยไม่ซื่ออืหูเนี่ยมันก็ต้องรีบีนซื่อเสียงเพาะมันก็มันก็รู้เพาะเสียงไม่ถูกใจมันก็ไม่ถูกใจเสียงปั๊บมาเสียงแหลมไปก็มันก็ไม่ถูกใจ เสียงพาะมันก็เพาะเอ้จหมูก็ได้กินกินหอมก็ต้องได้กินแต่พอกินเหม็นมันไม่เอามันไม่กินเฉยเลยเจ้าหมูกไม่ได้กินเฉยเลยอ้าวมันก็ต้องได้กินนี่คือมันซื่อๆมันไม่ลำเอียงธรรมชาติมันไม่ลำเอียงมันซื่อคำว่าซื่อๆคือมันไม่ลำเอียงคือมันได้กินเหม็นก็ต้องได้เหม็นกินหอมก็ต้องได้กินหอมเพราะลิ้นเนี่ยลิ้นมันกินรสที่เปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวกินเค็มก็ต้องเค็มกินหวานก็ต้องหวานมันซื่อๆบอกว่ารสนี้ไม่ชอบ แล้วมันไม่ไม่รู้ลดไปเลยเนี้ยมันไม่ใช่มันลดอะไรเข้าป่ามันก็ต้องรู้หมดกายเราเนี่ยร้อนอ่อนเย็นหนาวเงี้ยร้อนอากาศหนาวเราไม่ชอบสมาามติรร เ, เราไม่ชอบอากาศหนาวพอมีอากาศหนาวเราไม่ได้รับรู้เลยเงี้ยเราไม่ชอบอากาศร้อนพะอากาศร้อนเราไม่รับรู้เลยไม่ใช่มันร้อนก็ต้องรู้ร้อนมากร้อนน้อยมันต้องรู้หนาวมากหนาวน้อยมันก็ต้องรู้คือธรรมชาติตมันซื่อแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราทําผิดธรรมชาติความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นทันทีคือคนไม่ซื่อคือตัวเราเนี่ย แล้วอาการของใจเนี่ยเหมือนกันเนี่ยใจสบายมันก so ็ต้องรู้ซึ้งซึ้งว่าใจสบายใจไม่สบายม like ันก็ต้องรู้ซึ้งซึ้ว่าใจไม่สบายเราคิดกุศลมันก็ต้องรู้ว่าเราคิดอกุศลเราคิดอกุศลก็ต้องรู้อกุศลมันคิดกุศลก็ต้องรู้ว่ากุศลไม่ใช่วะพอมันคิดอย่างนี้เราอยากให้มันคิดอย่างนี้พอใจสบายอยากให้มันสบายอย่างนี้ไม่อยากให้มันสบายพอมันไม่สบายอยากให้มันสบายเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงใจมันก็ต้องรับรู้ทั้งสบายและไม่สบายนี่พอเราไปทําอย่างนี้พอใจสบาย อยากให้ใจมันสบา ย, ยางี้ไม่ไม่สบายอีกพอใจมันไม่สบายอยากให้มันไม่สบายให้ไปให้เหลือแต่ความสบายถ้าอย่างเงี้ยเราจะเดินออกนอกบ้างเราให้คนไปจัดการหมดเลยสิ่งายที่ทัาไม่สบายตาห้ามเห็นเพราะฉันตเตยแต่ของที่สบายโอ้ยก็ทั้งสิ่งที่ถูกเห็นทางตาสิ่งที่ถูกรู้ทางใจเหมือนกันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ เวลาตาเราก็เหนนเ็นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจไอ้ทิงนี้รู้ทั้งรู้ทั้งใจเนี่ยเราก็ต้องไปรู้วันทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจแต่พอมันอาการที่เราไปรู้ทั้งใจเนี่ยมันไม่ถูกใจเราจะจัดการให้ที่ไม่ถูกใจให้หมดเหลือแต่อาการที่ไปรู้ให้มันถูกใจถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะออกจากบ้านทุกคนต้องไปจัดการในที่ฉันไม่ถูกตาไม่สบายตาหายไปหมดให้เหลือแต่ที่สบายตาพักขีข้โดยหน้ามันจะได้ยังไง่ มันผิดธรรมชาติมันไม่ซื่อซื่อมันไม่ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติมันเลยพ้นทุกข์ไม่ได้เราเนี่ยผิดพลาดไปตรงที่ว่าธรรมชาติเขาซื่อซื่อแต่เราไปรู้ซ้อนธรรมชาติเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งคือตัวร้ายคือเราจะพยายามตึกตัวเราให้ซื่อซื่อแต่พอถึงอาการทางใจกับไม่ซื่อคืออาการที่ไปรับรู้ที่ถูกใจอยากแค่มันคงอยู่งันอาการที่ไปรับรู้ไม่ถูกใจเราจะกวาดให้ปัญหาเรียบเลย ให้มันเหลือแต่อาการที่ถูกใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในโลกเนี่ยมันจะเหลือแต่สิ่งที่เราเห็นถูกใจเสียงในโลกนี่ได้ยินแต่ที่ถูกใจกลิ่นเหม็นจะไม่มีมีแต่กลิ่นหอมรสที่เราได้ได้รับเนี่ยมีแต่รสที่รสชาติดียวอร่อยรสชาติไม่อร่อยไม่มีสิ่งที่มาสัมผัสกายมีแต่สบายอย่างเดียวไม่สบายไม่มีอืออย่างนั้นสิ่งที่ผัดใจมันจะเหมือนกันนะคือสิ่งที่มาสัมผัสใจอาการภายในใจมันก็ต้องมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเหมือนภายนอกนั่นแหละ เนี่ยคือธรรมชาติปกติเราไม่เข้าใจธรรมชาติปฏิบัติเราไปเพิ่มมาธรรมชาติเนี่ยมันรู้อะไรก็รู้ตรงไปตรงมาแต่เราไปเพิ่มตัวร้ายคือเพิ่มตัวรู้เพิ่มเข้าไปอหนึ่งตัวเราจะทํำอะไรเราก็เลยกํากับไปกํากับไปกํากับไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ใจผิดเรื่องรู้ซื่อเราไปเพิ่มตัวให้ให้ตัวเราเนี่ยพยายามไปรู้ซื่อแต่ธรรมชาติเขารู้ซื่อ ธรรมชาติก็มีหน้าที่เห็นซื่อฟังซื่อได้กินซื่อรู้เรื่อซื่อรู้ ส, สักรฝากซื่อรู้อาการาใางใจซื่อเนี่ยคือธรรมชาติเวลาเราเนี่ยมีตัวผู้รู้เกินมาเนี่ยเราตาก็เลยบอกว่าไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่รู้เกินมาเนี่ยเอาออกไปซะไม่ให้มีแต่ถ้าเราหลงเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเพิ่มเข้ามาเพราะเราหลงไปแล้วมันต้องสติรู้ต้องทันขึ้นมา หลงปั๊บใยับปุ๊บไอ้นี้ยมันต้องเพิ่มเข้ามาเพราะมันหลงไปแล้วถ้าเราไม่หลงเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลงปุ๊บเป็นธรรมชาติที่รู้ซื่อตาก็ต้องเห็นหูก็ต้องได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นรีนก็รู้ลดกายก็รู้สัมผัสใจมีอาการไหนก็ต้องรู้เนี่ยคือรู้มันจะเรียกรู้ที่เป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าธาตุรู้หรือหรือธาตุพุทธธาตหรือนิพานธาตุหรืออลหาหันธาตุจะเรียกอะไรก็ได้อันเนี้คือ รู้ซื่อๆ อ, อันเนี้ยดับไม่ได้แต่ที่บอกว่าไม่มีไอ้ตัวนั้นเนี่ยตัวที่เกินมานี่เนี่ยมันจะต้องหายไปไอ้ตัวผู้รู้ไอ้ตัวที่เร า, ท, เราที่เราเพิ่มธรรมชาติเข้ามานเนี่ยคือไอ้ไอ้ผู้รู้ที่แปลกปลอมมันต้องออกไปให้เหลือมันจึงเหลือแต่รู้ที่เป็น่านรู้ตามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติรู้